อยู่ปริวาท ส, สองเดือนเพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนภิสษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้ภิสษุต้องอาบัตสังฆาทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือนพิสษุนั้นมีความคิดดังนี้ว่าเราต้องอาบัตสังฆาทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือนฉะไหนหนอ เราพึงขอปริวาทหนึ่งเดือนเพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนกับกสงฆ์ุิื่อนี้จึงขอปริวาทหนึ่งเดือนเพื่ออาบัตสองตัวที่ปิดไว้สองเดือนกับสงฆ์สงได้ให้ปริวาทหนึ่งเดือนเพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนแก่พิกษุนั้นแล้วเมื่อพิกษุนั้นกำลังอยู่ปริวาทคิดและอายใจว่าเราต้องอาบัตสังฆาทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือน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 เมื่อเรานั้นกําลังอยู่ปริวาสคิดละอายใจว่าเชไหนหนอเราพึงขอปริวาสสาหรับเดือนแม้นอกนี้เพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนกับสงภิกษุนั้นจึงขอปริวาสสาหรับเดือนแม้นอกนี้เพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนกับสง สงได้ให้ปริวาสสาหรับเดือนแม้นอกนี้เพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนแก่ภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นพึงอยู่ปริวาสสองเดือนนับต่อจากเดือนก่อนภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุต้องอาบัตสังฆาทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือนคือเดือนหนึ่งรู้ เดือนหนึ่งไม่รู้พิกษุนั้นขอปริวาทสําหรับเดือนที่รู้เพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนกับ 2. สงส่งได้ให้ปริวาทสําหรับเดือนที่รู้เพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนแก่ภิกษุนั้นแล้วเมื่อพิกษุนั้นกําลังอยู่ปริวาทรู้เดือนแม้นอกนี้ภิกษุนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่า เราต้องอาบัตสังคาที่เศษสองตัวปิดไว้สองเดือนคือเดือนหนึ่งรู้เดือนหนึ่งไม่รู้เรานั้นขอปริวาทสําหรับเดือนที่รู้เพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนกับสงสงได้ให้ปริวาทเดือนที่รู้เพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนแก่เราแล้วเรานั้นกําลังอยู่ปริวาทรู้เดือนแม้นอกนี้ว่า เไหนหนอเราพึงขอปริวาทสําหรับเดือนแม้นอกนี้เพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนกับสงพุทธสุนั้นจึงขอปริวาทสําหรับเดือนแม้นอกนี้เพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนกับสงสงได้ให้ปริวาทสําหรับเดือนแม้นอกนี้เพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนแก่ภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นพึงอยู่ปริวาทสองเดือนนับต่อจากเดือนก่อนภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุต้องอาบัตสังฆาทิเศษ ส, สองตัวปิดไว้สองเดือนเดือนหนึ่งระลึกได้เดือนหนึ่งระลึกไม่ได้ภิกษุนั้นขอปริวาสสำหรับเดือนที่ระลึกได้เพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนกับสม สงได้ให้ปริวาสสำหรับเดือนที่ระลึกได้เพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนแก่ภิกษุนั้นแล้วเมื่อภิกษุนั้นกำลังอยู่ปริวาสระลึกเดือนแม้นอกนี้ได้ภิกษุนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าเราต้องอาบัตสังฆาทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือนเดือนหนึ่งระลึกได้เดือนหนึ่งระลึกไม่ได้ เรานั้นขอปริวาสสาหรับเดือนที่ระลึกได้เพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนกับสงสงได้ให้ปริวาสสาหรับเดือนที่ระลึกได้เพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนแก่เราแล้วเมื่อเรานั้นกําลังอยู่ปริวาสระลึกเดือนแม้นอกนี้ได้ว่าฉไหนหนอ เราพึงขอปริวาสสาหรับเดือนแม้นอกนี้เพื่ออาบัตสองตัวปิดไวสองเดือนกับสงพิกษุนั้นจึงขอปริวาสสาหรับเดือนแม้นอกนี้เพื่ออาบัตสองตัวปิดไวสองเดือนกับสงสงได้ให้ปริวาสสาหรับเดือนแม้นอกนี้เพื่ออาบัตสองตัวปิดไวสองเดือนแก่พิกษุนั้นพิกษุทั้งหลาย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 เพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนกับสงสงได้ให้ปริวาสสำหรับเดือนที่แน่ใจเพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนแก่ภิกษุนั้นแล้วเมื่อภิกษุนั้นกำลังอยู่ปริวาทแน่ใจเดือนแม้นอกนี้ภิกษุนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าเราต้องอาบัตสังฆาที่เศษสองตัวปิดไว้สองเดือน เดือนหนึ่งแน่ใจเดือนหนึ่งไม่แน่ใจเรานั้นขอปริวาสสำหรับเดือนที่แน่ใจเพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนกับสงสงได้ให้ปริวาสสำหรับเดือนที่แน่ใจเพื่ออาบัตสองตัวปิดไว้สองเดือนแก่เราแล้วเมื่อเรานั้นกําลังอยู่ปริวาสแน่ใจเดือนแม้นอกนี้ว่าชไหนหนอ เราพึงขอปริวาสสำหรับเดือนแม้นอกนี้เพื่ออาบัตสองตัวปิดไวสองเดือนกับสงภิสษุนั้นจึงขอปริวาสสำหรับเดือนแม้นอกนี้เพื่ออาบัตสองตัวปิดไวสองเดือนกับสงสงได้ให้ปริวาสสำหรับเดือนแม้นอกนี้เพื่ออาบัตสองตัวปิดไวสองเดือนแก่พิกษุนั้นภิสษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นพึงอยู่ปริว่าสองเดือนนับต่อจากเดือนก่อน